การบําเพ็ญจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจของปุถุชนให้เป็นจิตใจของพระอริยบุคคลเป็นของพระโสดาบันเป็นของพระสกิดาคามีเป็นของพระอนาคามีเป็นของ พ, ะอาาองพะอระอรหัน และของพระพุทธเจ้าจิตใจก็เป็นเหมือนกับที่ดินที่ว่างเปล่าคือจิตของปุถุชนเป็นที่ดินที่เป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้มีการพัฒนาถ้ามีการนําเอาที่ดินว่างเปล่านี้มาพัฒนาที่ดินก็จะ มีคุณค่าขึ้นมาที่ดินก็จะผลิตรายได้ขึ้นมาถ้าเป็นชาวนาชาวไร่มาพัฒนาก็จะมาปลูกข้าวปลูกต้นไม้ทำไร่ทำนาทำสวนก็จะได้ดอกผลของต้นไม้ต้นข้าวถ้าเป็นนักธุรกิจ มาพัฒนาก็จะมาสร้างอาคารสถานที่ต่างๆเช่นสร้างบ้านเรือนบ้านจัดสรรสร้างศูนย์การค้าสร้างโรงแรมสร้างโรงภาพยนตร์สร้างอะไรต่างๆที่ดินก็จะมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นไปตามการพัฒนา ใจิตใจของพุทตุชนอย่างพวกเราทั้งหลายก็เช่นกันถ้าเราบำเพ็ญจิตตภาวนาเราก็จะพัฒนาจิตใจของเราให้มีคุณค่ามากขึ้นให้ผลิตความสุขมากขึ้นจนถึงขั้นระดับบรมมสุบรมังสุ ข, ขัง จิตใจของพวกเราทุกคนนี้เป็นเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ระดับของการพัฒนาว่าได้รับการพัฒนามากน้อยเพียงไรอย่างจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันตาสาวกได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบจึงได้ ผลิตบรมมรสุขให้แก่เจ้าของให้แก่จิตใจการที่เรามาศึกษามาบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เพื่อที่เราจะได้พัฒนาจิตใจของเราให้ผลิตความสุขมากขึ้นไปตามลาดับจนถึง ความสุขขั้นสูงสุดคือปรมังสุขขังการพัฒนาจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะพัฒนาให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้พัฒนาเองเราต้องเป็นผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาเองถ้าเราไม่บำเพ็ญ เราก็จะไม่ได้พัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นดังนั้นมันเป็นจึงเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตานโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นที่พึ่งของจิตจิตต้องพัฒนาจิตเองแต่ก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสง์ ผู้ที่ได้พัฒนาจิตใจถึงขั้นสูงสุดแล้วมาเป็นผู้แนะนำวิธีการพัฒนาถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแนะนำมาสั่งสอนเราก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ถึงขั้นสูงสุดได้ เราจึงมีที่พึ่งสองชนิดด้วยกันที่พึ่งที่เป็นผู้บอกทางแนะนําทางและที่พึ่งที่เป็นผู้เดินทางอัตตาหิอัตโนนาโถนี้เป็นที่พึ่งคือผู้เดินทางต้องเดินทางเองด้วยการอาศัยคําบอกเล่าคําสั่งสอน ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งในการบอกทางบอกวิธีการพัฒนาจิตใจเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รายุึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นแบบฉบับเป็นผู้นำทาง เราต้องดูพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรจึงทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจา้าเราต้องดูพระอาหลานตัสาวกว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้เป็นพระอาหลานตสาวกเราต้องฟังคำสอนของท่านคำสั่งของท่านว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ บรรลุเป็นพระ อ, อาลานตหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงต้องศึกษาพุทธประวัติศึกษาพระ อ, อาลานตา์ตัสสะวอกปอดศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าและของพระ อ, อาลานต์สาวกทั้งหลายเพื่อเราจะได้ บำเพ็ญได้อย่างถูกต้องและถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายได้เราต้องดูว่าพระพุทธเจ้าทําอย่างไรท่านทรงทําอย่างไรจึงทําให้ท่านได้ออกบําเพ็ญจิตตภาวนาได้เราทําไมจึงยัง ไม่สามารถออกบำเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าทรงออกบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยเหตุผลอันใดก็เหตุผลของเทวทูตสี่นี่เองเคยทรงได้พบเห็นกับเทวทูตทูตที่ยิบส่งมาจากเทวดามาส่งสารมาให้กับพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้าได้อ่านสารของเทวดาของเทวทูตก็ออกบาเพ็ญจิตตภาวนาเลยถ้าไม่เห็นเทวทูตสี่พระ อ, องค์ก็ยังจะหลงอยู่กับความสุขของพระราชวังแต่พอได้เห็นเทวทูตสี่พระ อ, องค์ก็ต้อง เตรมตัวเตรียมใจหาโอกาสหาเวลาพอมีโอกาสมีเวลาที่จะเสด็จออกบาเพ็ญได้ก็ทรงออกบาเพ็ญทันทีเทวทูตสี่ที่พระองค์ทรงได้รับคือใข่คือหนึ่งก็คือคนแก่สองคือคนเจ็บไข้ได้ป่วย สามคือคนตายและสี่คือนักบวชพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพระองค์ก็ทรงพิจารณากลับมาที่พระองค์เองก็ทรงเห็นว่าพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุด ไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ตายไปได้และความสุขทั้งหลายทรัพสมบัติทั้งหลายบุคคลทั้งหลายที่มีไว้เป็นสมบัติเป็นครอบครองก็จะหมดไปกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไป ความสุขก็จะสูญไปหมดไปมีแต่ความทุกข์ที่จะเข้ามาแทนที่แล้วก็ทรงเห็นเทวทุที่สคือนักบวชก็ทรงพิจารณาศึกษาดูว่าการเป็นนักบวช น, นี้เป็นเพื่ออะไรก็เป็นเพื่อบำเพ็ญจิตตะภาวนานี้เองเพื่อพัฒนาจิตใจ ให้อยู่เหนือการแรงดึงดูดของโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่สามารถพัฒนาจิตใจให้ขึ้น ส, าาสู่ระดับของพระพุทธเจ้าระดับของพระอรหันตสาวกได้ระดับของพระอริยบุคคลได้ <c oughs> ก็จะอยู่เหนือแรงดึงดูดของโลกของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเอง เมื่อพระ อ, องค์ทรงได้รับสารจากเทวทูตทั้งสี่แล้วพระ อ, องค์จึงเตรียมพระไทยหาช่องหาเวลาหาโอกาสพอวันที่พระเมสีได้คลอดพระราชโอรสพอพระ อ, องค์ได้ทราบข่าวพระ อ, องค์ก็ทรงเป่งคําว่าราหุนออกมาคําว่าราหุน นี้แปลว่าบ่วงพระองค์ทรงตัดว่าโอรสนี้เป็นบ่วงที่จะผูกมัดให้พระองค์ต้องติดอยู่กับโลกของการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จึงสลัดบ่วงนั้นทิ้งไปทันทีไม่ไปดูลูกที่เพิ่งคลอดมาใหม่ๆในคืนนั้น ทรงตัดสินพระไทยจะต้องเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นเพื่อจะได้ออกไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อจะได้ยกระดับจิตให้หลุดออกจากแรงดุงเดืดของโลกของการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าราหุนนี้เลยกลายเป็นชื่อของพระราชโอรสต่อมา นี่คือการดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ออกจากการอยู่แบบค า, ารวะอยู่แบบผู้คองเรือนแล้วก็ออกไปอยู่แบบบรรพชิตแบบนักบวชเพื่อจะได้มีเวลาพัฒนาจิตใจได้อย่างเต็มที่ มีเวลาบาเพ็ญจิตตะภาวนาได้ตลอดเวลานั่งแต่ตื่นจนหลับการที่มีเวลาได้บาเพ็ญและได้ใช้เวลานั้นให้กับการบำเพ็ญอย่างเต็มที่จึงเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ได้พัฒนาจิตใจให้อยู่เหนือแรงดึงดูง ด, ดของโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตอยู่ในพระนิพพานที่มีตาบรมมาสุขคือเป็นความสุขที่สูงสุดที่เป็น ที่เต็มที่เต็มร้อยและที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปต่างกับความสุขของปุตุชนที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆพอได้เสพความสุขความสุขนั้นกระจางหายไปก็ต้องคอยเสพใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ความสุขของพระนิพพานนี้ เป็นความสุขที่ไม่ไม่จางไม่เสือ่อมไม่หายไปจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือประวัติของพ่อพระพุทธเจ้าโดยย่อที่เป็นส่วนที่สำคัญต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อการพัฒนาจิตใจ พระสาวกทั้งหลายท่านก็ออกบวชกันเพราะว่าท่านได้ศึกษ า, าพระประวัติของพระพุทธเจ้ากันเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อว่าเป็นแนวทางของการดาเนินชีวิตที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดท่านก็ออกบวชกันออกบําเพ็ญจิตตภาวนากัน พวกเราถ้าอยากจะออกบวชออกบาเพ็ญจิตตภาวนาพวกเราก็ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติถ้าอยากจะออกบาเพ็ญจิตตภาวนาขอให้เราระลึกถึงเทวทูตสี่อยู่เรื่อยๆให้เราเลึกถึงความแก่ อยู่เรื่อยๆให้เราเลึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีการะรลึกอยู่เรื่อยๆมันจะคอยกระทุงเราให้ตื่นตัวให้เตรมตัวเตรียมใจไป สู่การบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเราไม่ระเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆไม่ระเลิกถึงผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่เรื่อยๆเราจะถูกความหลงกลืนเราดึงเราให้หลงอยู่กับการแสวงหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายจนทำให้เราไม่สามารถออกบาเพ็ญจิตตภาวนาได้แต่ถ้าเราคอยลำาลึกอยู่เรื่อยๆถึงความแก่ความเจ็บความตายที่ค่อยเคลือบคลานเข้ามาหาเราทีละเล็กทีละน้อยอย่างไม่หยุดยัง้ง ความแก่ความเจ็บความตายนี้เขาลุกคืบเข้ามาอยู่เรื่อยๆเขาไม่มีวันหยุดเขาไม่มีวันถอยหลังถ้าเราไม่รีบหนีจากเขาไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องถูกเขากลืนไปเราจะถูกความแก่กลืนไปถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยกลืนไป ถูกความตายกลืนไปก็เหมือนกับเหยื่อที่ถูกงูฮุบเกินเข้าไปในท้องพองูฮุบเข้าไปในปากเข้าไปในท้องแล้วก็เหยื่อ น, นั้นก็หมดโอกาสที่จะทําอะไรได้ต่อไปในขณะที่เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายนี้ เราสามารถบำเพ็ญจิตตภาวนาได้แต่พอเราแก่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหรือตายแล้วเนี่เราจะไม่สามารถบำเพ็ญได้หรือถ้าบำเพ็ญได้ก็แบบไม่เต็มที่จะไม่สามารถบรรลุถึงผลที่พึงจะบรรลุได้นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะ เราเลิกกันอยู่เนืองๆ อ, อย่างที่ทรงสอนให้เจริญกันอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาย่อมมีการพัาดพลาดจากกันไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ ถ้าเราล้ำลึกอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็จะตื่นตัวจะเตรียมตัวเตรียมใจตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหมือนเครื่องพันธนาการให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี้แล้วเราจะได้มีเวลา ไปบปําเพ็ญจิตตภาวนาไปพัฒนาจิตใจของเราในฐานะนักบวชพอเราได้มีเวลาได้บําเพ็ญจิตตภาวนาได้มีเวลาพัฒนาจิตใจผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะผลก็เกิดจากการบําเพ็ญนี้เอง ไม่ได้เกิดจากอะไรและการไม่เกิดผลก็เกิดจากการไม่บำเพ็ญ น, นี้เองไม่ได้อยู่ที่วาสนาบารมีอยู่ที่ดวงชะตาไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่ฐานะการเงินการทองไม่ได้อยู่กับอะไรทั้งนั้นอยู่ที่เหตุก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เท่านั้น ต่อให้เป็นพระราชามาหากษัตริย์ประธานาธิตบดีมาหาเศรษฐีถ้าไม่บำเพ็ญก็ไม่ได้ผลหรือถ้าเป็นคนจนคนยากคนคนไม่มีฐานะอะไรแต่ถ้ามีการบำเพ็ญก็จะเกิดผลขึ้นมางนั้นไม่ควรที่จะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้บางท่านก็อาจจะโทษว่า ต น, นเป็นหญิงไม่สามารถที่จะออกบําเพ็ญได้ก็มีผู้หญิงที่เขาบําเพ็ญได้แล้วเขาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้ก็มีอยู่จะอ้างว่าเป็นเด็กเด็กก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็มีอยู่จะอ้างว่าไม่ได้เป็นนักบวชผู้ที่เป็นฆราวาสก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็มีอยู่ มันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่ไหวอยู่ที่ฐานะการเงินการทองไม่ได้อยู่ที่ราบยศสรรเสริญอยู่ที่การบําเพ็ญหรือไม่บําเพ็ญเท่านั้นเองถ้ามีการบําเพญ็ญมันก็ต้องมีผลตามมาอย่างแน่นอนเพราะการบําเพ็ญก็คือเหตุนั่นเองส่วนผลก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เ ดังนั้นถ้าเราได้ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าและศึกษาประวัติของพระอาหลนตสาโลกทั้งหลายศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีข้ออ้างเลยไม่มีข้ออ้างว่าเราไม่สามารถที่จะบําเพ็ญได้เลยส่วนใหญ่ที่อ้างกันก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าของพระ อาหลนตสาวกของไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอรหลานตสาวกอ้างกันขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีเหตุไม่มีผลอ้างว่าว่าสนาไม่พอเวลาไม่มีมีภาระมากมีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงดู มีอะไรจิตปาถะร้อยแปดแต่เวลาไปเที่ยวไม่เห็นมันอ้างเลยว่ามีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงดูนั่นแหละตัวนี้เองที่มันทำให้ไม่สามารถออกบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อแอบอ้างที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนี่เอง อ้างว่ามีพ่อมีแม่แล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีพ่อไม่มีแม่หรืออย่างไรก็มีเหมือนกันอทำไมท่านไ ม, ไม่ได้อ้างพ่ออ้างแม่กันก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุอ้างว่าไม่มีวาสนาไม่มีบารมีก็ไม่การบาเพ็ญนี่แหละก็เป็นการสร้างวาสนาบารมี ถ้าบําเพ็ญแล้วว่าสนาบารมีที่ไม่มีมันก็มีขึ้นมาเองเมื่ออ้างว่าไม่มีว่าสนาบารมีมันก็ต้องบําเพ็ญให้มากขึ้นกว่าผู้ที่เขามีว่าสนาบารมีเลยมันก็จะได้มีว่าสนาบารมีขึ้นมาได้นี่คือเหตุผลต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญ เพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระพุทธพธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าศึกษาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะไม่มีอุปสรรคอันใดเลยถ้าเราลำลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายืัหนหลังไปนั่งทื่อได้ไหมถ้าลงไปแล้วก็อย่าขึ้นมาถ้าขึ้นมาแล้วก็อย่าลงไปมันเสียมารยาทแลวมันก็มาทำลาย ความสงบของผู้พูดและของผู้ฟังแสดงว่าไม่เคยไปฟังเทศฟังธรรมตามสํานักปฏิบัติเดี๋ยวก็ลงไปอีกเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกถ้าไม่พูดเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ทุกครั้งที่เรามีการเคลื่อนไหวนี้มันไปรบกวนกระแสของความคิดที่มันกําลังไหลยอยู่ ทำให้มันไม่ไหลอย่างต่อเนื่องทำให้มันขาดตอนหายไปได้ดังนั้นเวลาที่ฟังเทศฟังธรรมนี้ท่านจึงคอยเตือนคอยบอกว่ากายวาจาใจต้องสงบต้องมีศีลคือความสงบกายและวาจาต้องมีสมาธิคือความสงบ ใจการฟังเทศฟังธรรมถึงจะได้ผลแล้วก็ไม่ไปสร้างความลำคาญไม่ไปรบกวนผู้อื่นเพราะเวลาเราขยับตัวเราส่งเสียงดังมันจะไปทำลายสมาธิของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงทำให้การฟังไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้การพูดการแสดงทำไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าทำให้วงแตกไม่ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรการฟังเทศฟังธรรมที่จะได้คุณได้ประโยชน์ต้องฟังด้วยความสงบกายวาจาใจสงบกายสงบวาจาก็เรียกว่าศีล สงบใจก็เรียกว่าสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิการฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิติความเห็นชอบสามารถกำจัดความสงสัยต่างๆไปได้ทำให้ใจผ่องใสมีความสุขทำให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ ้การฟังธรรมนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากทีเดียวเพราะถ้าไม่ได้ฟังธรรมจะไม่รู้วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องและเมื่อไม่รู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผลที่พึงจะได้รับก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาจึงต้องตั้งใจฟังถ้าไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่ในความสงบก็ไม่ควรที่จะมาฟังถ้าต้องเข้าห้องน้ำต้องไปทำอะไรก็ควรไปอยู่แถวหน้าห้องน้ำอยู่หรือ ควรที่จะรอโอกาสที่เราไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์และจะทำให้ผู้อื่นเขาเสียประโยชน์เสียเวลาไปด้วยจากการเคลื่อนไหวของเราการมาหาบุญหากุศลก็เลยเป็นการ มารบกวนมาทำลายบุญทำลายกุศลของผู้อื่นไปโดยไม่รู้สึกตัวเราต้องพยายามบําเพ็ญกันให้ความสำคัญต่อการบําเพ็ญจิตตะภาวนายิ่งกว่าการกระทำอะไรทั้งหมดเพราะการกระทำอะไรทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราพัฒนาสูงขึ้นมาได้ ทำให้จิตใจของเราบรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาได้การกระทําต่างๆในโลกนี้ก็ทําเพื่อที่จะดูแลเรื่องของร่างกายเท่านั้นเองซึ่งในระดับหนึ่งก็มีความจำเป็นแม้แต่ในวัดในวาก็จำเป็นที่จะต้องมีการ สร้างถาวราวัตถุบางอย่างขึ้นมาเช่นสร้างที่อยู่อาศัยสร้างศาลาไว้สําหรับใช้ในการประชุมหรือใช้ในการทำกิจกรรมสําคัญจำเป็นเช่นการขบฉัน <c oughs> การแสดงธรรมก็ต้องมีถาวราวัตถุบ้างพอประมาณแต่ก็ไม่ควรที่จะหมดเวลาไปกับการ สร้างถาวรลวัตถุดูแลถาวรลวัตถุจนไม่มีเวลาที่จะมาบําเพ็ญจิตตภาวนาถ้าจะเสียเวลาก็ไม่ควรร้อยละสิบเท่านั้นสําหรับการทําภารกิจการงานต่างๆส่วนเวลาอีกเก้าสิบร้อยละเก้าสิบนี้ควรจะให้เป็นเวลาของการบําเพ็ญจิตตภาวนาไม่เช่นนั้นแล้ว การบำเพญจะไม่บรรลุปเป้าหมายได้จะมัววุ่นวายยุ่งกับการสร้างถาวรและวัตถุสร้างแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการทำนุบำรุงดูแลรักษาเพราะถาวรและวัตถุต่างๆก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจึงต้องระมัดระวังหวงตานี้ท่าน ว่าวางมากในวัดนี้เรื่องของการก่อสร้างท่านนี้จะพยายามไม่ให้มีการก่อสร้างถ้ามีก็ให้น้อยที่สุดแล้วก็มีเวลาที่จำกัดคือจะไม่ทําแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเช่นเวลาเข้าพรรษานี้ท่านจะห้ามไม่ให้มีการ ดำเนินการก่อสร้างอะไรทั้งสิ้นในวัดจะให้มีแต่การบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพียงอย่างเดียวถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกุฏิหรือซ่อมศาลาท่านก็จะให้รอทำเวลาที่ออกพรรษาไปแล้วแล้วขณะที่ทำก็จะเร่งทำให้มันเสร็จไปไม่ให้ยืดเยื้อ และเวลาของการทำก็ไม่ให้เลยเวลาพอถึงเวลาเย็นก็ให้เลิกเพื่อจะได้มีเวลาบำเพ็ญในยามค่ำคืนต่อไปได้ไม่ใช่ทำกันไปจนกระทั่งมืดแล้วก็ยังไม่เลิกจุดวงจุดไฟกันทำงานต่ออย่างนี้ท่านจะไม่ให้ทำพอเย็นแล้วสี่ห้าโมงท่านก็สั่งให้เลิกให้กลับไป สงน้ำแล้วก็เข้าที่ภาวนาต่อไปยังไงยงไงก็ไม่ให้ทิ้งงานจิตตภาวนาเพราะงานจิตตภาวนานี้เป็นหัวใจของของนักปฏิบัติเลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีจิตตภาวนาก็เหมือนกับไม่มีหัวใจหรือหัวใจไม่ทำงานร่างกายของเราถ้าไม่มีหัวใจไม่มี หัวใจไม่ทำงานร่างกายของเราจะอยู่ได้หรือไม่ร่างกายของเราก็ไม่ต่างจากซากศพดีๆนี่เองถ้าไม่มีหัวใจหรือหัวใจไม่ทำงานเสียแล้วชั้นใดการพัฒนามรคนิพพานก็เช่นเดียวกันจะไม่มีการพัฒนาถ้าไม่มีการบำเพ็ญจิตตภาวนาเราจะยังต้อง ให้ความสำคัญในเรื่องของจิตตภาวนายิ่งกว่าเรื่องอันใดทั้งสิ้นถ้าจำเป็นจะต้องเลือกระหว่างเรื่องอื่นนี้ถ้าเลือกจิตตภาวนาจะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่มีวันผิดไม่มีวันขาดทุนไม่ต้องไปกังวลกับความรู้สึกนึกคิดของใครทั้งนั้นใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไร ปล่อยเขาพูดไปปล่อยเขาว่าไปคำพูดของเขาไม่สามารถส่งเราไปพรนนิพพานได้แต่กรรมบำเพ็ญจิตตะภาวนาของเรานี้จะส่งเราไปนิพพานได้ดังนั้นถ้าเราต้องมาเลือกระหว่างการบำเพ็ญจิตตภาวนากับเรื่องกับเลือกสิ่งต่างๆก็ขอให้เลือกจิตตภาวนาได้เลย รับรองได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างแน่นอนหยังที่พระเจ้าทรงตรัสสอนไว้เสมอว่าให้สละทรัพย์ให้สละอวัยวะให้สละชีวิตเพื่อทำอันนี้ก็เหมือนกันให้สละทรัพย์เพื่อบาเพ็ญจิตตะภาวนาให้สละอวัยวะให้สละชีวิตเพื่อบาเพ็ญจิตตะภาวนา บางครั้งเวลาเราภาวนานี้เราต้องเลือกระหว่างอวัยวะกับชีวิตกับการภาวนาบางทีเราต้องไปบปําเพ็ญในที่มันเสี่ยงต่อความเป็นความตายถ้าเรายังสละชีวิตไม่ได้เราก็จะไปบปําเพ็ญจิตตภาวนาไม่ได้ถ้าเรากลัวว่าจะเป็นโรคกระเพาะเพราะต้องฉันมื้อเดียวหรือว่าต้องอดอาหารเพื่อเป็นการเสริม การบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเรากลัวว่าจะเกิดโครคภัยไข้เจ็บกับร่างกายแล้วเราก็จะไม่สามารถบำเพ็ญจิตตะภาวนาได้เพราะเราก็จะกินอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายมันสมบูรณ์แข็งแรงพอกินอย่างเต็มที่มันก็เกิดความเกลียดขันขึ้นมาจะไม่อยากภาวนาจะไม่ได้ภาวนา การอดอาหารนี้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับเร่งความเพลี่ยนในการบาเพ็ญจิตตภาวนาเพราะเวลาที่หิวเวลาที่อดอาหารนี่จะมีความหิวจะมีความทุกข์ใจแล้วก็ไม่มีวิธีใดที่จะมาดับความทุกข์ใจนี้ได้นอกจากการบาเพ็ญจิตตภาวนานี้เองการอดอาหารจึงเป็นการอุบาย บังคับให้เราต้องภาวนาเพราะเวลามันเกิดความหิวขึ้นมานี้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะดับความหิวได้ก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะความหิวส่วนใหญ่นี้มันหิวที่ใจไม่ได้หิวที่ร่างกายหิวที่ร่างกายเพียงร้อยละสิบแต่หิวที่ใจถึงร้อยละเก้าสิบนะถ้าเราบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบได้ เช่นบำเพ็ญส ม, มถะภาวนาทําจิตให้รวมเข้าสู่ความสงบได้ความหิวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นจะหายไปแล้วความอิ่มใจก็จะขับเข้ามาแทนที่ทําให้ความหิวของร่างกายนี้ไม่มีความหมายแต่อย่างใดสามารถอดอาหารได้เป็นเวลาหลายหลายวันเลยทีเดียวถ้ามีการบำเพ็ญส ม, มถะภาวนาอย่างต่อเนื่อง อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ทรงอดพระกายาหารได้ถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันนั่นก็เป็นเพราะว่าพระองค์สามารถควบคุมความผิวทางใจได้นี่คือตัวอย่างของความสำคัญของการบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเราอยากจะออกบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วมีอุปสรรคเรื่องนั้นเรื่องนี้ ต่ดมันไปเถิดพิจารณาว่ามันเป็นตายรักได้เลยพิจารณาว่ามันก็ต้องมีเกิดมีดับต้องมีการพัดภาคจากกันถ้าลูกเป็นปัญหาก็อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเกิดมันเกิดก็เรื่องของมันเดี๋ยวมันก็ตายมีใครเกิดแล้วไม่ตายบ้างมันก็ต้องพัดภาคจากกันอยู่ดีไม่จากกันวันนี้มันก็ต้องจากกันวันหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมด ที่เป็นเป็นเหมือนกับเป็นพันธนาการที่จะผูกมัดเราไว้ถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นตายรักแล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งเราไม่ให้ไปบปําเพ็ญจิตตภาวนาได้เลยนี่แหละเราต้องพยายามมองให้เห็นว่าการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นเหมือนเพชรหนินจินดาเ เป็นสมบัติอันล้ำค่าส่วนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนี้มันเป็นเหมือนหินกับทรายคุณค่ามันต่างกับเพชรกับลอยกันอย่างเหมือนฟ้ากับดินเลยการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้จะทำให้เราได้มรรคผลนิพพานที่มีคุณค่าเหมือนกับเพชรกับพลอยส่วนการทาภารกิจ ทางด้านลาบยศเสริญทางด้านครอบครัวก็เป็นเหมือนกับหินกับทรายนี้เองไม่มีคุณค่าราคาอะไรมากนะไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปใครเขาจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไป เขาก็พูดไปตามภาษาคนหูหนวกตาบอดคนที่ไม่รู้คุณค่าของการบําเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองอย่างมีบางคนก็ว่าคนออกบวชนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพูดไปนี้เข้าหมายความว่าอย่างไงมีใครบ้างไม่เห็นแก่ตัวบ้างเวลาหายใจนี่เห็นแก่ตัวหรือเปล่า ทำไมไม่ไปหายใจให้คนอื่นถ้าอยากจะว่าตัวเองไม่เห็นแก่ตัวทำไมไม่ไปหายใจให้คนที่เขาหายใจไม่ได้ไปหายใจแทนเขาได้หรือได้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องของความจำเป็นความเห็นแก่ตัวที่ไม่เป็นเรื่องของกิเลสนี้มันต้องมีด้วยกันทุกคนการหายใจนี่ก็เป็นการเห็นแก่ตัว การกินข้าวหลับนอนพักผ่อนหลับนอนมันก็เป็นการเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นการเห็นแก่ตัวที่ไ <riding> ม <ASE ori> ่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครไม่ได้ไปสร้างความเสียหายให้กับใครทำไมจะต้องไปวิตกกังวลกับการพูดของคนว่าเราบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วเราเห็นแก่ตัวการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร ไม่ได้ทำให้ใครจนขึ้นดรวยรวยขึ้นเป็นเรื่องของเราเฉพาะเหมือนกับการหายใจของเราเราจะหายใจไม่หายใจก็ไม่ได้ไปมีผลกระทบต่อผู้อื่นแต่อย่างใดนอกจากผู้อื่นเขาจะมาอาศัยเรามาเกาะเราเท่านั้นเองเขาก็จะเดือดร้อนนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักพึ่งตัวเขาเองพอเขาไม่พึ่งตัวเขาเองเขามาพึ่งเรา พอเราไม่ได้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของเขาเขาก็เดือดร้อนแล้วเขาก็มาโทษว่าเราไปทําให้เขาเดือดร้อนแต่ความจริงถ้าวิเคราะห์ลงไปลึกๆแล้วเขาเนี่ยแหละทําตัวเขาเองให้เดือดร้อนเพราะไม่ยอมพึ่งตัวเองชอบพึ่งคนอื่นพอคนอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้ก็ไปโทษเขาว่าทําให้เขาเดือดร้อน ี่คือเรื่องอุปสรรคของผู้ที่จะออกบาเพ็ญมักจะติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆมักจะติดอยู่กับคาําค l l a น a n i n t h ของบุคคลต่างๆเพราะว่ายังไม่เห็นคุณค่าของการบาเพ็ญจิตตภาวนาว่ามันเป็นของที่เลิอของวิเศษของประเสริฐขนาดไหนแต่ถ้าเราได้ศึกษา ประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอาหลานตสาวกได้ยินได้ฟังทำจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอาหลานตสาวกก็ดีเราจะเห็นคุณค่าของการบำเพ็ญจิตตภาวนาและเราจะไม่สนใจกับคำเข้ารหานินทาต่างๆของบุคของผู้อื่นเลย คำพูดของเขาไม่สามารถส่งเราไปนิพพานได้ไม่สามารถส่งเราไปนรกได้ต่อให้เขาสาบแช่งเราอย่างไรมันก็ส่งเราไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีการกระทําที่จะทําให้เราไปนรกการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้มันไม่ได้เป็นทางที่จะนําไปสู่นรกแต่เป็นทางที่จะนําไปสู่มรรคผลนิพพานเขาให้เรามั่นใจได้ อย่างเต็มที่ว่าการบำเพ็ญจิตตภาวานานี้จะทาให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนไม่ได้ส่งเราไปนรกอย่างแน่นอนไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจเราก็จะได้ออกบำเพ็ญได้ถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ อย่างไม่สามารถออกบำเพ็ญได้เมื่อเราไม่บำเพ็ญเราไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเราก็อยากไปโทษใครโทษตัวเราเองโทษการตัดสินใจของเราเองเพราะการกระทาของเรามันก็เกิดจากการตัดสินใจของเราไม่มีใครจะตัดสินใจแทนเราได้ชีวิตของเราเราต้องตัดสินใจเองเราต้องบำเพ็ญเอง ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตาสาวกอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่หลงทางไม่ควยเขวเราจะมีมั่นใจต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาเราจะมุ่งไปสู่การบําเพ็ญจิตตภาวนา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 ยะถาวาริวะหาปุราภริปุเรนติสัคร e ังเอวเมวะอิตถินางเปตานางอุปกรปติอิชิตังปัต um ิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสเพปุเรนตุสังกปาันโทปนาระโสยะถามณีโชติ อระโสยะถาสพิตโยวิวัชานตุสัพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาทนาสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวทานติอายุวนันโสุขัง า, าต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาถ้ามีใครอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยครับขออนุ ญ, ญาตกลับเรียนสอบถามมีเพื่อนฝากถามมานะครับ เ, เป็น เรื่องการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตกับสินข้อข้อ2นะครับเรื่องอธินามีอยู่2กรณีอย่างเช่นในกรณีแรกเนี่ยการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างเช่น เ, เขาบอกว่าเพลงเนี่ยเขาไม่ให้ไม่ให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดาวน์โหลดมาปุ๊บ อ, อ, อย่างเช่นจากยูทูบแล้วเราดาวน์โหลดมาอย่างนี้เนี่ยจะผิดสินข้อ2หรือเปล่าถ้าไปเอาของเข้ามาเขาไม่ให้โดยเขาไม่อนุญาตมันก็ผิดนะครับ และกรณีที่สองอย่างเช่นเป็นธรรมะของท่านอาจารย์ซึ่งธรรมะเนี่ยท่านท่านอาจารย์เป็นให้เป็นธรรมทานอยู่แล้วแต่พอเอาไปขึ้นไปไว้บน f a c e b o o เนี่ยอขออนุญาตครับใน YouTube โดย y o u t u เนี่ยเขามีกฎว่าเขาเขียนว่าไฟล์ที่อยู่ในของเขาเนี่ยให้มาเปิดฟังของเขาเท่านั้นห้าม Copy ไปลงทีนี้คนก็บอกว่าซึ่งธรรมะของท่านอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นธรรมทานอยู่แล้วแล้วถ้าเขาไป Copy อ, อย่างเงี้ยมันจะละเมิด แล้วมัดข้อตกลงของ Youtube อย่างนี้จะผิดสินไหมครับก็ผิดเพราะว่าเราไปใช้กับบริการของเขาเขามีเงื่อนไขของเขาถ้าเราไม่สามารถที่จะรับเงื่อนไขข อ, ของเขาได้เราก็อย่าไปใช้ของเขาเราก็ไปใช้ที่อื่นก็ได้ที่เขาไม่มีเงื่อนไขที่เว็บไซต์เราก็ไม่มีเงื่อนไขก็ไปดาวน์โหลดได้ครับผมขอบคุณครับ ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณเบิร์ตผู้สำเร็จทำขั้นไหนถึงไม่กลัวตายไม่ห่วงร่างกายและต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อไปให้ถึงระดับนั้นครับก็ต้องเองปฏิบัติดูถึงจะรู้ว่าอยู่ขั้นไหนพูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆปฏิบัติก็พิจารณาความตายว่าเป็นธรรมดาพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา พอเห็นความจริงแล้วมันก็หายกลัวความกลัวมันเกิดจากความหลงที่หลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราถ้าเราพิจารณาแบบนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์แบบด้วยเหตุด้วยผลเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเช่นเราลองแยกอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ออกมาดู แล้วค้นหาดูว่าตัวเราอยู่ในส่วนไหนของอาการ32นี้บ้างเช่นอยู่ในผมหรือเปล่าอยู่ในขนหรือเปล่าอยู่ในเล็บอยู่ในฟันอยู่ในหนังอยู่ในเนื้อต้องแยกออกมาแล้วดูซิว่ามีตัวเราอยู่ในอาการเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าแยกดูมันเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันมีแค่32ชิ้นเท่านั้นเอง มารวมกันเหมือนกับรถยนต์มีชิ้นส่วนต่างๆมารวมกันพอรวมกันแล้วพอคนขับมาขับรถคนขับไปหลงว่าละรถยนต์นี้เป็นคนขับหรือเปล่าคนขับก็ไม่ได้หลงใช่ไหมเพราะคนขับรู้ว่ารถยนต์นี้มันก็เป็นเพียงส่วนประกอบของชิ้นส่วนต่างๆร่างกายของเราก็เหมือนกันเราก็เป็นเหมือนคนขับร่างกายนี้พอเรามาขับร่างกายนี้เราไม่ เราไม่รู้อินโนอินเแล้วก็ไปว่ามันเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเพราะเราไม่เคยพิจารณาแยกแยะมันออกมานั่นเองเขาเจ้าเจ้าถึงสอนให้เราแยกอาการสามสิบสองออกมาดูให้มันชัดชัดทั้งสามสิบสองส่วนว่ามีส่วนไหนบ้างที่เป็นตัวเราของเราน้ําที่เดื่มเข้าไปมันเป็นของเราหรือเปล่าเวลามันออกมามันเป็นของเราหรือเปล่าของต่างๆมันก็เป็นของที่เอามาจากข้างนอก ถ้าไม่มีของข้างนอกร่างกายนี้มันจะโตขึ้นมาได้ไหมเวลาออกมาจากท้องแม่ถ้าไม่กินน้ําไม่ดื่มไม่ไ ม, ไม่ไม่หายใจไม่กินอาหารร่างกายมันจะเจริญเติ ب, ตบโตขึ้นมาได้หรือเปล่ามันก็มาจากของข้างนอกของข้างนอกมันเป็นเราหรือเปล่าอาหารเป็นเราหรือเปล่าน้ําเป็นเราหรือเปล่าลมเป็นเราหรือเปล่าแล้วพอมันมาผสมกัน ให้เป็นผมขนเล็บฟันแล้วมันเป็นของเราขึ้นมาหรือเปล่าเป็นตัวเราขึ้นมาหรือเปล่าต้องพิจารณาอย่างนี้ต้องไล่ถามมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นแค่สักแต่อาการสามสิบสองผมก็เป็นผมมันไม่มีตัวเราอยู่ในผมเวลาเราตัดผมทิ้งไปแล้วมันหายไปไหนมันกลายเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นดินไปต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็จะ เข้าใจมันก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องพอมันรู้ว่าที่ตายนี้มันไม่มไม่ใช่ตัวเรามันก็หายกลัวไปคำถามต่อไปจากคุณนภัสกาบเรียนพระอาจารย์อธิบายคำว่าสังขารธรรมด้วยคะ่ะการพิจารณาตายรักในสิ่งต่างๆจัดเป็นสังขารธรรมด้วยหรือไม่คะ สังขารนี้เท่าที่ได้ยินได้ฟังมามันมีความหมายอยู่สามสามอันด้วยกันเนาะสังขารสังขารที่อยู่ในขันห้านี่คือความคิดปรุงแต่งในเป็นนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารในขันห้านี่คือความคิดปรุงแต่งเช่นเราคิดจะไปกินข น, นมคิดไปเที่ยวคิดไปดูหนังฟังเพลงนี่ก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งอันนี้ก็อันหนึ่ง อีกอันหนึ่งก็เรามักจะได้ยินกันก็คือเราเรียกร่างกายของเราว่าสังขารสังขารมันไม่เที่ยงเนาะมันเกิดแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายอันนี้ก็เป็นสังขารอีกอันหนึ่งสังขารอีกอันหนึ่งที่เคยได้อ่านเจอก็คือจะมีคําคําความอธิบายความหมายว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่เกิดจากการประกอบของส่วนต่างๆขึ้นมา ก็เรียกว่าสังขารเช่นร่างกายนี้ก็เกิดจากการประกอบของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารบ้านศาลาหลังนี้ก็เรียกว่าสังขารก็ได้เพราะเป็นส่วนที่มีประกอบมีเป็นสิ่งที่ประกอบจากส่วนต่างๆขึ้นมานี่คือความหมายของคำว่าสังขารที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกั น, นเวลาเราฟังเราก็ต้อง รู้ว่ากำลังพูดถึงว่าพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงร่างกายหรือพูดถึงความคิดปรุงแต่งหรือพูดถึงสิ่งต่างๆที่มีการรวมตัวกันขึ้นมาสิ่งใดที่มีการรวมตัวกันก็จะ ม, มีการแยกแยกออกไปเป็นธรรมดานี่คือคหลักธรรมของของการพิจารณาสังขารทั้งปวงท่านเงเรียกว่าสับเพ ส, าาสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ถาวร มีการรวมตัวกันมีการเจริญมีการแยกออกมีการเสื่อมเช่นร่างกายนี้ก็เป็นการรวมตัวของธาตุของพ่อของแม่พอมารวมกันแล้วก็มีใจมาเป็นผู้คอบครองก็เกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วพอออกจากท้องแม่มาก็มีการเติมธาตาุต่างๆเข้าไปธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟ มันก็เกิดการเจริญขึ้นมาแล้วพอมันเจริญเต็มที่มันก็เริ่มนับถอยหลังมันก็เริ่มเสือ่อมลงไปที่ระล็กเทียน้อยเจ้านที่สุดมันก็แยกทางกันไปดินน้ำลมไฟก็แยกทางกันไปดินก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมนี่เรียกว่าสังขารสังขานี้เป็นการรวมตัวกัน ของของสิ่งต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากธาตุสีทั้งนั้นไม่ว่าอะไรในโลกนี้ร่างกายของเราก็มาจากธาตุสีรถยนต์ก็มาจากธาตุสี่ศาลากุฏิบ้านนอาก็มาจากธาตุสีเสื้อผ้าอะไรที่เราใส่นี้มันก็มาจากธาตุสี่มันเป็นการมารวมตัวของของธาตุแล้วมันก็จะอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะมีการแยกออกจากกัน ท่านจึงเรียกว่าสัพเพสังขารา อ, อนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญและมีการเสื่อมหมดไปเป็นธรรมดาคำถามต่อไปจากคุณขวัญดาวทำสมาธิสติตามลมไม่ละเอียดแวบตลอดทำอย่างไรจึงจะแนบสนิท ก, กับลมได้คะก็ต้องฝึกสติอยู่บ่อยๆไม่ใช่ เ, เฉพาะเวลาที่มานั่งเท่านั้น ถ้ามาทำเฉพาะเวลานั่งมันจะไม่มีกําลังพอที่จะตามลมได้อย่างต่อเนื่องต้องฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าจะดูลมลองดูตั้งแต่ตื่นจนหลับได้หรือเปล่าไม่ว่าทําอะไรก็คอยตามลมอยู่เรื่อยๆถ้าตามลมไม่ได้ใช่อย่างอืงอ่นก็ได้ตามดูร่างกายแทนก็ได้เพราะลมมันละเอียดกว่ามันยากกว่าการที่จะตามรู้ในขณะที่ทําภารกิจต่างๆก็ให้ตามร่างกายไปให้ดูร่างกายไปแทน ร่างกายกําลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาร่างกายกําลังเดินไปข้างหน้าเดินมาข้างหลังกําลังลุกกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังเดินกําลังรับประทานไม่ว่าทําอะไรให้เฝ้าดูอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเรามีใจจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาเราก็จะมีสติที่จะ จดจอดูลมเวลาที่เรามานั่งสมาธิได้คำถามต่อไปจากคุณอาม่าปัจจุบันดิฉันใช้ชีวิตเพียงลำพังตัวคนเดียวสามีเสียไปแล้วดิฉันจะปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ดิฉันมีกำลังจิต ท, ที่เข้มแข็งสามารถอยู่คนเดียวได้และต่อสู้กับทุกขเวทนาต่างๆได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคะ ก็ต้องเจริญสตินี่เป็นงานหลัก ง, งานที่จะสร้างที่พึ่งให้กับใจเราก็คืองานเจริญสตินี่เองเพราะถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถทําใจเราให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะมีความสุขอยู่ตามลําพังได้ไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียของบุคคลต่างๆของสิ่งต่างๆหรือแม้แต่การสูญเสียของร่างกายของเราเองก็จะไม่เป็นปัญหา ถ้าใจเรามีความสงบเพราะขนณะที่ใจสงบนี้ใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการบําเพญ็ญในการปฏิบัติก็คือการเจริญสติต้องมีสติก่อนแล้วถึงจะมีสมาธิแล้วถ้ามีสมาธิเราก็จะเจริญทำขั้นสูงกว่านั้นได้ก็คือปัญญาดังนั้นขอให้เราพยายามเจริญสติกัน ตอนนี้พวกเราเหมือนกับนักเรียนอนุบาลเพิ่งเข้าโรงเรียนสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เวลาเข้าโรงเรียนอนุบาลก็คือกอไก่ขอไข่ในการบําเพ็ญในเบื้องต้นก็คือการเจริญสติข้ามขั้นนี้ไปไม่ได้ถ้าข้ามขั้นไปแล้วมันจะไม่เป็นการบําเพญ็ญมันจะไม่เกิดผลขึ้นมาเหมือนกับเรียนหนังสือพอเข้าอนุบาลแล้วก็ไม่กอไก่ขอไข่ไม่หัด ทมอย่างอื่นเป็นเรียนอย่างอื่นก็จะไม่สามารถอ่อนออกเขียนได้นะมันมีขั้นมีตอนของมันการปฏิบัติก็มีขั้นมีตอนพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อยู่เรื่อยๆว่าสตินี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดเพราะปราศจากสติแล้วธรรมอย่างอื่นเกิดขึ้นไม่ได้ทรงเปรียบสติความยิ่งใหญ่ของสติเหมือนกับรอยเท้าช้างใน เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งทั้งบทสัตว์อื่นจะมีความดุร้ายมีความมีอำนาจมากกว่าช้างก็ตามแต่ความขนาดความยิ่งใหญ่แล้วช้างนี่ใหญ่ที่สุดฉันใดทำทั้งหลายถึงแม้ว่าจะวิเศษกว่าสติก็ตามถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นควรพยายามฝึกเจริญสติให้มากๆ ฝึกทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วต่อไปสมาธิก็จะตามมาปัญญาก็จะตามมาววมุตติหลุดพ้นก็จะตามมาอย่างแน่นอนคำถามต่อไปจากคุณสายทานแห่งบุญเวลานั่งสวดมนต์หรือทำสมาธิชอบจุกตรงกลางหน้าอกบ่อยมากเลยค่ะควรปฏิบัติอย่างไรดีคะ ถ้ามันเป็นเฉพาะเวลาที่นั่งก็อย่าไปสนใจมันถ้านั่งดูละครดูหนังแล้วไม่จุกก็ถือว่าไม่เป็นไรถ้านั่งภาวนาแล้วจุกก็แสดงว่ากิเลสมันออกรวดลายอย่าไปสนใจมันให้อยู่กับสติไปบำเพ็ญไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปคาถามต่อไปจากคุ ณ, ณพนพดลข้อแรกผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังได้สองเดือนปฏิบัติทุกวัน ไม่ตามใจความขี้เกียจและความอยากต่างๆใช้การนึกพุทธโธ ท, ทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิรวมถึงในชีวิตประจำวันมีข้อสงสัยมากเรื่องสติคืออะไรครับก็เนี่ยเขาเพิ่งอธิบายไปเนียเดี๋ยวฟังดูคงจะเข้าใจนะให้สติอยู่กับคำบริกรรมเป็นอย่างไรครับ ก็อยู่กับคำบริกรรมก็อยู่ไปสิกรพุทธโธไปอย่าให้มันหายไปอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นคิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวสติที่เหมาะแก่การภาวนาหน้าตาเป็นอย่างไรครับอันไหนที่ทำให้ใจเราสงบนัเนี่ยมันก็เหมาะกับเราหน้าตามันก็มีอยู่สี่สิบหน้าตาลองไปเปิดดูในตาราดูกรรมาฐานสี่สิบ มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอาณาปณะสติมารา น, านุสติอันนี้ก็เป็นหน้าตาของสติต่างๆข้อที่สองเวลาผมนึกพุทโธพยายามเพ่งไม่ให้คิดแรกๆเครียดมีความรู้สึกหนัก เคยฟังหลวงพ่อพุธท่านบอกให้นึกสบายๆพอนึกสบายๆก็เผลอไปครับบางอาจารย์ท่านบอกไม่ให้เพ่งจะติดเพ่งผมควรใช้วิธีไหนครับใช้วิธีของพระพุทธเจ้าน่ะนะลองไปศึกษาดูอ่านสติปัฏฐานสูตรดูอันนั้นเป็นวิธีของพระพุทธเจ้านะข้อที่สามข้อนี้ผมมีความกระดากอายที่จะปรึกษาครับ คือจิตผมมันคิดไม่ดีไปว่าพระพุทธและพุทโธใจและพุทโธใจใจมันคิดเองโดยผมไม่อยากทําผมพยายามห้ามความคิดมันก็ห้ามไม่ได้ไม่สบายใจครับกลัวบาปควรทําอย่างไรดีครับก็ต้องใช้เหตุผลพิจารณาดูว่าคนที่เราไปด่ากับเราเนี่ยใครมันดีกว่ากันเราดีกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าดีกว่าเรา แล้วเราเป็นใครมันถึงมีอำนาจวาสนาไปด่าพระพุทธเจ้าได้คำถามต่อไปจากคุณยุคนกระผมได้อ่านหนังสือปฏิบัติปุจชาวิสชนาผู้ถามคือพระธรรมเจดีกับผู้ตอบคือพระอาจารย์มั่นคำถามว่าทุกนั้นได้แก่สิ่งอะไรคำตอบขันห้าอายตนะหก าธาตุหกนามรูปเหล่านี้เป็นทุกขศัสต์าธาตุหกนามรูปหมายถึงอะไรครับไม่รู้คนไปอ่านมาจากที่ไหนาธาตุหกไม่ได้วยนะเราที่ได้ยินมันมีแต่าธาตุสีไม่ใช่หรตอหรือถ้าธาตุหกก็คงจะหมายถึงนอกจากดินน้ำลมไฟก็มีาธาตุรู้กับาธาตุอากาศอากาศาธาตุอันนี้ก็เป็นาธาตุหก คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อแรกอยากทราบว่าการที่นั่งสมาธิได้ดีมีความสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฐิหรือไม่คะเพราะบางครั้งเกิดความสงสัยว่าบางคนที่เขามีความก้าวหน้าทางสมาธิมากนั่งได้ดังได้ดีมากแต่ทำไมชีวิตประจำวันฐานะ เราฐานะคนรู้จักยังรู้สึกว่าเขายังมีอารมณ์โกรธหรือดูมีอัตตาค่อนข้างมากอยู่ค่ะส่วนตัวดิฉันคิดว่าความก้าวหน้าทางธรรมดูที่สมาธิอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะนึกถึงกรณีของพระเทวทัศอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือไม่ค่ะคือการก้าวหน้าก็อยู่ที่ ความโลภความโกรธความหลงว่ามันมีมากขึ้นแล้วมีน้อยลงถ้ามีความโลภโกรธหลงมากขึ้นก็แสดงว่าไม่ก้าวหน้าถ้าความโลภความโกรธความหลงมันน้อยลงก็แสดงว่าก้าวหน้า ข้อที่สองการที่เราสมาธิยังอ่อนยังมีกำลังไม่มากแต่เราพยายามฝืนที่จะไม่ทําตามความอยากเท่าที่ทําได้แม้จะมีความทุกข์บ้างนั้นถูกต้องไหมคะหรือควรฝึกสมาธิให้ได้จนจิตนิ่งสงบแล้วความอยากจะลดหรือเบาบางลงเองคะกราบขอคาแนะนำคะ่ะก็ต้องทําทั้งสองอย่างเวลาเกิดความอยากก็ต้องฝืนให้สุดกาลัง เท่าที่จะฝืนได้ไม่ใช่มาอ้างว่ายัางไม่มีสมาธิก็ตามตามความอยากไปก่อนถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะฝืนความอยากได้เราก็ต้องพยายามฝืนไปเท่าที่เราจะฝืนได้แล้วพยายามสร้างกำลังคือสมาธิให้มีมากขึ้นแล้วมันก็จะช่วยกันแรงฝืนก็จะช่วยด้านหนึ่งแรงของสมาธิก็จะช่วยอีกด้านหนึ่งเหมือนกับมีคนสองคนมาช่วยกันดีกว่า มีคนเดียวเอนต้องฝืนความอยากแล้วก็ต้องพยายามสร้างสมาธิให้มีเพิ่มมากขึ้นไปด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามข้าพเจ้าเป็นคนโมโหง่ายไม่ค่อยยอมใครพยายามนั่งส ม, สมาธิหลายหนแต่ก็นั่งไม่ได้เพราะมันวุ่นวายความคิดเยอะมาก ปัจจุบันเอาแต่อ่านและฟังธรรมจากต่างๆเวลานั่งสมาธิยิ่งบุ่นวายไม่นิ่งเลยค่ะใช้วิธีดูลมหายใจลบกวนพระอาจารย์เมตตาหนทางให้ข้าพเจ้าด้วยค่ะความโกรธนี้มันเป็นผลของความโลภนั่นเองของความโลภของความอยากเวลาเรามีความโลภความอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธ ถ้าเราไม่มีความโลภความอยากได้อะไรเราก็จะไม่มีความโกรธดังนั้นถ้าเราอยากจะลดความโกรธของเราหรือกําจัดความโกรธของเราเราก็ต้องไปลดความโลภความอยากไปกําจัดความโลภความอยากให้มันหมดไปความโลภความอยากจะหมดไปได้ก็ต้องละต้องทําลายความหลงให้ได้เพราะความหลงนี้เป็นต้นเหตุทําให้เราโลภทําให้เราอยากความหลงก็คืออะไร หลงเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นดีจะให้ความสุขกับเราจะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดอันนี้เป็นความหลงเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะดีอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะคงเส้นคงวาเหมือนเดิมย่อมมีการเปลี่ยนไปย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราไปตลอด ถ้าเราอยากจะตัดความโลภตัดความอยากเราก็ต้องมาแก้ที่ความหลงต้องสอนใจว่าเวลาเราอยากได้อะไรให้มองดูดีๆแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ไมดีอย่างที่เราคิดคนที่ไม่มีแฟนคิดว่ามีแฟนมีครอบครัวแล้วจะมีความสุขเราไปถามคนที่เขามีแล้วว่าเป็นยังไงลองคิดอย่างนี้ดูเราก็จะก็จะหายหลง แต่คนมันก็บ้าบางทีทั้งๆ ท, ท, ที่เห็นว่ามันทุกข์มันก็ยังยืนยันว่าจะเอาอย่างนั้นแหละขอทุกข์ไว้ก่อนยังดีกว่ายยังดีกว่าอยู่คนเดียวพอไปทุกข์เข้าจริงๆแล้วถึงน้ําตาร่วงเหมือนเด็กที่เดือแม่บอกว่าไฟมันร้อนอย่าไปจับก็ไม่เชื่อต้องไปจับมันจับให้มันไหม้ซะก่อนถึงจะรู้ว่าอาไฟมันร้อนเนี่ยดังนั้น พวกเราก็เหมือนกันกว่าจะหายหลงได้มันต้องทุกข์ก่อนทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดเข้าใจไหะถ้ามันพอทุกข์แล้วทีนี้มันรู้แล้วว่าโอ้ไม่ดีถ้าแต่งงานแล้วมันไม่ไหวเนี่ยต่อไปก็ไม่อยากจะแต่งแล้วเลิกอถ้าไปทําอะไรแล้วมันมีแต่ความทุกข์นี้ต่อไปมันก็จะไม่กล้าเข้าไปแต่งดังนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะสอนใจให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ได้ก็ต้องต้อง ก็ต้องเจอความทุกข์เข้าถึงจะหายถึงจะหูตาสว่างแต่ตอนนั้นอาจจะสายเกินแก้ก็ได้เพราะบางทีมันทุกข์แล้วมันมันออกมายากต ก, ก้าไปในกองไฟแล้วมันออกมายากอยู่นอกกองไฟนี้มันยังออกง่ายกว่ายิ้นทางที่ดีที่สุดก็คือให้เชื่อผู้รู้ดีกว่าเชื่อพ่อแม่ถ้าเราเป็นเด็กถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าบอกสัพเพสังขาราทุกขานี่ก็ให้เชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันมีเปลี่ยนแปลงมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามันไม่ใช่เป็นของเรามันสักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจ็บตัวน้ำตาตกในภายหลัง นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์มีผู้ฝากถามมาว่าตอนนี้ในทีวีคะคะหลวงพ่อมีภาพพยร์เรื่องพระพุทธเจ้าศาสดาโลกศาสดาของโลกแล้วถ้าถือศีลแปะจะดูได้ไหมคะถ้าเป็นการศึกษาพระพุทธประวัติก็ไม่เห็นมีน่าจะมีข้อห้ามตรงไห น, น เพียงแต่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะต่อด้วยเรื่องอื่นตามมาที่หลังมันมีจิตใจจะกล้าพอที่พอจบแล้วปิดหรือเปล่าหรือเ่าเดี๋ยวขอต่อดูอีหน่อยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงได้สมัยก่อนเขาไม่มีภาพยนตร์ดูไม่เห็นเขาเดือดร้อนเนยสมัยน้องปู่มัน่นสมัยนลวงตามาบัวนี่ท่านเห็นมีทีวีดูพุทธประวัติท่านกา็มีหนังสือพุทธประวัติอา่านมัน ไอ้หนังนี่มันก็มาจากหนังสือที่เขาเขียนจารึกกันมาไว้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วดังนั้นถ้าเราถือศีลแปดเราอย่าไปเสี่ยงดีกว่าอย่างน้อยก็เสี่ยงต่อการคารหานินทาของชาวบ้านว่าไอ้นี่ถือศีลแปดแล้วมันยังมานั่งดูเอ <laughs> าใจไหมหมดแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งค่ะมีผู้สงสัยว่า การทำบุญหรือทำทานด้วยการบริจาคเงินให้มูลนิธิหรือสมาคมเพื่อหวังใบอนุโมทนาบุญเพื่อไปลดหย่อนภาษีเพื่อให้ตัวเองเสียภาษีถูกลงอะคะ่ะอา น, นิสง์ของบุญก็เยอะ<ำ>ได้มากก็ทำไม่ได้เต็มร้อ ย, อยงไงเราบริจาคไปร้อยหนึ่งแล้วเราได้คืนมาสิบก็แสดงว่าเราบริจาคแค่เก้าสิบถ้าเราอยากจะ บอยจากเต็มน้อยเราก็ไม่ต้องไปเอาใบมาลดหย่อนภาษีอะไรหร<ช>ือ ถ, ถ้าเอากลับมาแล้วก็เอาไปทำต่อมันก็จะได้ร้อยมันก็เสียเวลาไปเปล่าๆ<ช>แต่ก็ดีอาจจะทำให้รัฐบาลต้องมาทำบุญ <c oughs> แต่มันก็เป็นเงินของคนอื่นรัฐบาลก็ททำอย่างนี้เพื่ออยากจะส่งเสริมให้เราทาบุญทำกุศลทา ป, ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็เลยมีการ มีการลดหย่อนภาษีให้เท่านั้นเองแต่เราไม่ควรทำเพื่อที่จะมากังวลกับไอ้ไอส่วนลดเล็กๆน้อยๆเช่นบางทีโอนเงินทาทำบุญโอนเงินผ่านทางธนาคารเขาลดไม่คิดค่าบริการก็มากังวลกับค่าบริการซึ่งไม่กี่ตังค์แต่ตัวเงินที่เราบริจาคเนี่ยมันมากกว่า น, นี้ต้องหลายเท่าเราไม่กังวล งั้นเราทำบุญแล้วเราอยากไปโลภนี้แสดงว่าทําบุญอย่างยังยังตัดความโลภไม่ได้หมดทําบุญแล้วยังมีความโลภอยากจะได้บุญคืนได้อยากจะได้เงินคืนอยู่งั้นทําเราทําเพื่อละความโลภละความตนีละความหวงความยึดติดในเงินทองให้เราคิดว่าตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเขาไปดีกว่าถ้าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้มัน หมวดคถามจากทางบ้านค่ะทางนี้มีไหมในศาลามีใครอยากจะถามบ้างอาขออนุ ญ, ญาตาขออนุ ญ, ญาตาถามพระอาจารย์นะครับพอดีได้สนทนาธรรมกับ เ, เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน เ, เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขานั่งจนได้จิตรวมสงบจิตรวมเป็นหนึ่งเนะหลือแต่ตัวรู้แต่ก็มาคุยกันว่าเอ จะทำยังไงให้ได้อย่างนั้นอีกเพราะทำยังไงก็ไม่ได้ผมก็ออตอบไปว่าก็<ม>ให้หาเหตุเหตุเดิมที่ทําให้ให้สามารถนั่งได้เนี่ยทำยังไงหมายถึงให้รวมจิตรวมได้เนี่ยทายังไงให้ไปหาเหตุแล้วก็ทําให้เหมือนเดิ ม, มเขาบอกว่าตอบกลับมาว่า อ, อ, อดีตเนี่ยตอนนั้นยังปฏิบัติธรรมไม่มากนะ<ม>เพียงแต่ว่าไปปีกวิเวกแล้วก็ปล่อยวาง ปัญหาต่างๆเนี่ยทิ้งไปทีละปัญหาทิ้งไปจนกระทั่งหมดพอหมดปุ๊บจิตก็รวมรวมลงแต่กลับกันว่าณปัจจุบันเนี่ยหลังจากปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอมีอุปสรรคอะไรขึ้นมาหรือมีกิเลสตัณหาขึ้นมาเนี่ยเพื่อนนี่เขาสามารถตัดทันทีเลยคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็เลยไม่รู้ว่าจะนั่งยังไงให จิตรวมเป็นหนึ่งได้อย่างเดิมก็ขอคําแนะนําพระอาจารย์เพราะว่าผมก็ตอบก็ไม่ได้เหมือนกันครับผมก็วิธีที่ให้จิตรวมก็จิตต้องมีอารมณ์เดียวต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐานสีสชนิดนี้ก็สามารถที่จะทําให้จิตรวมได้เอนก็ต้องเลือกเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้คําบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไปจะใช้การดูลมหายใจก็ดูลมไป แล้วเดียวมันก็จะรวมเข้าไปเองณปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ความสงบก็จะต้องอนั่งอย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยนะต้องต้องหาวิธีเองเพื่อที่จะรวมให้ได้เป็นหนึ่งแต่เป็นวิธีใหม่ที่ไม่ใช่วิธีเดิมนะครับถูกต้องไหมครับอาจารย์ออก็เมื่อวิธีเดิมทำไม่ได้นะก็ต้องหาวิธีใหม่วิธีนั้นอาจจะเหมาะเฉพาะเป็นวิธีเฉพาะกิจก็เรียกลุก ทุกอย่างมันมันมาลงตัวเข้าพอดีเหมือนเรายิงปืนเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะเล็งมันแต่มันก็เข้าเป้าอย่างเงี้ยแล้วเรามันจะยิงใหม่มันไม่เข้าเป้ามันก็ต้องมาศึกษาวิธีที่เขายิงแบบเข้าเป้ากันเขาก็ต้องบอก่กต้องเล็งดูมือต้องนิ่งใจต้องนิ่งอันนี้ก็แบบเดียวกันวิธีการที่จะเข้าสู่ความสงบรวมได้นี่มันก็มีอยู่ในการรวมของจิตครั้งแรกหรือ ข้างใดข้างหนึ่งนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยรอบข้างก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระราชโอรสตอนที่เป็นเด็กพระองค์ทรงประทับอยู่ตามลําพังวันนั้นพวกข้าราชบริพารเขาไปติดภา ร, รกิจงานอย่างอื่นเลยปล่อยให้พระองค์ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นไม้อยู่ตามลําพังพอไม่มีบุคคลรอบด้านมารบกวนใจ ใจที่เคยสงบมาก่อนในอดีตชาติมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้โดยอัตโนมัติของมันอันนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของของของภาวะที่มันพร้อมที่จะทําให้ใจรวมกันเข้าไปแต่ถ้ามันไม่มีภาวะอย่างนี้เราก็ต้องใช้สติเป็นตัวดึงเข้าไปต้องเจริญสติให้มากแล้วสตินี้จะดึงใจให้เข้าไปสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งได้ สาธุครับอาจารย์อันนี้หมดแล้วใช่ไหมที่ว่าก็พอสมกวนแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ